รอพนี้ของเราจะมาฟังธรรมกันเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้เพื่อกระตุ้นให้จิตใจของเรามีความวิริยะอุสาหะมีความภาคเพียร ที่จะปฏิบัติธรรมให้เพิ่มมากขึ้นพอเวลานั้นย่อมมีน้อยลงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดสอนไว้ในพระประชิโมวาดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ ของตนและของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้เป็นคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายส่งให้ความสำคัญต่อการเห็นความตายเป็นอย่างมากเพราะการเห็นความตายนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้จิตใจที่ ตั้งอยู่ในความประมาทนอนใจได้รีบลุกขึ้นมาก็าทำกิจที่พึงกระทา <c oughs> กิจที่พึงกระทาก็คือการเจริญมากนี้งมักต้องเจริญให้มากเพราะมักนี้เป็นเครื่องมือที่จะละความยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ใจได้ถ้ามีมักสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถละตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีตันหาอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจดังนั้นเวลาที่เราได้สัมผัสกับเทวทูตคือความตาย แทนที่เราจะมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เราควรจะรีบใช้การเห็นความตายนี้มาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราลำลึกถึงพระธรรมคาสอนพระปัจชิมโมวาดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยในการ ติดอยู่ในพวงของการเวียนว่ายตายเกิดให้พวกเราได้ตื่นจากความประมาทนอนใจให้ตื่นจากความหลงติดอยู่กับกองทุกข์ให้เรารีบเจริญกิจที่เราต้องทำกันประโยชน์ตนก็คือการสร้างมรร ที่เป็นเครื่องมือในการละตัณหาที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้หลังจากที่เราได้ทำประโยชน์ของตนได้สมบูรณ์แล้วได้สร้างมรรคได้อย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ท่านคือให้แก่ผู้อื่นต่อไป ประโยชน์ที่พึงกระามก็คื อ, คอการสอนการบอกการชี้ทางของการสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เองเพราะไม่มีอะไรที่จะมาปลดปลื้งจิตใจของาสารโลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นอกจากการเจริญ มักนี่เองเรียกว่าเจริญมักผลนิพานมักสี่ผลสี่นิพานหนึ่งอันนี้คือทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีทางใดในโลกนี้ที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นอกจาก ทางของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นทางของลาบยศสรรเสริญทางของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพานี้เป็นทางที่วนอยู่วนติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจากนั้นขอให้พวกเราถอนตัวพวกเราเองออกจากการ เดินทางในทางนี้คือในทางของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้พวกเรามาเดินทางของมรรคผลนิพพานกันทางของมรรคผลนิพพานนี้ก็คือทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนานี้ก็คือมร มัคนี้เราก็อาจจะได้ยินหลายชื่อหลายแบบด้วยกันแต่ก็เป็นทางเดียวกันมรแปดก็เหมือนกับทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาก็เหมือนกับทานศีลภาวนาไม่มีความแตกต่างกันนำพาให้เราไปสู่มรผลนิพพานนำพาให้เราไปสู่ การหลุดพน้นจากกองทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราควรที่จะหยุดหรือลดการแสวงหาราบยศสรรเสริญสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายกันแล้วมาหาความสุข ทางการทาทานทางการรักษาศีลทางการภาวนากันเพราเราจะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องระงับความอยากต่างๆ ไม่ให้ความอยากต่างๆนี้ทำงานได้ถ้าความอยากไม่ทำงานใจก็จะสงบใจสงบแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือประโยชน์ของตนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้บอกให้กระทำกัน จงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือการเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ดังที่ได้ทรงเคยตัดถามพระ อ, อ น, นุนผู้เป็นพระ อ, อุปถากของพระ อ, องค์ว่า อ, อ น, นุนวันหนึ่งเธอได้พิจารณาความตายมากน้อยเพียงไร ถ้าน้นก็สรงกราบทูลว่าวันละสี่ห้าครั้งด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังน้อยไปยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ถ้าจะไม่ประมาทแล้วเธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจออกก็ให้รู้ว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็จะตาย ถ้าหายใจเข้า <c oughs> แล้วไม่หายใจออกก็จะตายความเป็นความตายของพวกเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่ดังนั้นถ้าเรามีสติและลึกลืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็จะมีความไม่ประมาทจะทําให้รู้ว่าชีวิตของเรานี่ สามารถที่จะมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจผัดวันประกันพรุ่งถ้าเราคิดว่าเรายังจะอยู่ต่อไปอีกสิบปียี่สิบสามสิบสี่สิบปีเราก็จะสามารถผัดวันประกันพรุ่งได้ว่า โอ้ยเรายังมีเวลาเหลือ อ, อีกมากตอนนี้ขอทำอย่างอื่นไปก่อนไว้รอให้แก่แล้วค่อยว่าเข้าวัดค่อยศึกษาธรรมะค่อยปฏิบัติธรรมกันแต่มันอาจจะไม่ทันได้แก่ก็ได้คนเหล่านี้ตายได้ทุกอายุอายุวันหนึ่งก็ตายได้อาทิตย์หนึ่งก็ตายได้ เดือนหนึ่งก็ตายได้ปีหนึ่งก็ตายได้สิบปีก็ตายได้ตายได้ทุกเวลาแล้วเราเป็นมนุษย์พิเศษจากที่ไหนเราจึงสามารถที่จะมากาหนดอายุของเราได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุนั้นอายุนี้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะตั้งอยู่ในความประมาทเราต้องคิดว่า เรามีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกวันทุกเวลาเราจะได้รีบตักตวเวลาที่เรามีอยู่ในตอนนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง ถ้าพวกเราเวลาที่ได้พบกับเทวทูตเช่นความตายของบุคคลต่างๆถ้าเรากลับไปเกิดความหดหู่ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็สแสดงว่าใจของพวกเรานี้กําลังถูกอำนาจของโมหะความหลงครอบงําอยู่กําลังถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงําอยู่ เพราะกิเลสตัณหานี้จะไม่ชอบความตายกันเพราะกิเลสจะไม่ได้ทำอะไรตามใจของกิเลสนั่นเองเพราะเวลาคิดถึงความตายแล้วก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจ <c oughs> ที่อยากจะทำอะไรตามความอยากของกิเลส เช่ถ้าเราไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเรามีโรครายเราจะต้องตายภายในสามเดือนอย่างนี้เรายังจะมีความโลภความอยากที่จะหาลาบยศสำลรเสรนหาความสุขทางตาหูจมูกวินกายหรือไม่ยังอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาหรือไม่ เราก็จะไม่อยากเราจึงควรคิดแบบนี้ว่าการเห็นความตายนี้เป็นประโยชน์เพราะจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรจะช่วยให้เราดึงตัวเราออกจากการหาราับยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ จะทำให้เราดึงตัวเราให้เข้าสู่การเจริญมรรคได้เข้าสู่การเดินไปในทางของที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนินมาได้ก็คือการเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยเองอย่างที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ทรงบาเพ็ญมาพระองค์ก็ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชก็ทำให้พระองค์นั้นเห็นว่าทางที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่นี้ไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เป็นทางที่จะทำให้วนติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด กับความทุกข์ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น <c oughs> ทางที่จะนำพาให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายด้านนั้นต้องเป็นการไปในทางของนักบวชนะก็คือต้องทำทานอย่างเต็มที่หมายถึงให้สละทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองทั้งหลายให้หมดไปเช่น ละราชสมบัติเพื่อจะได้มีเวลาที่จะได้ไปบำเพ็ญศีลและภาวนาที่เป็นงานของนักบวชไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานของผู้ครองเรือนถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่นี้จะทำงานศีลและภาวนานี้ได้ไม่มาก เพราะจะไม่มีเวลามากพอเวลาจะหมดไปกับการสแสวงหาราบยศสรรเสริญสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นไก่เวลาจะหมดไปกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและความสุขต่างๆที่ได้จากการ <c oughs> จะแหหาราบยศสรรเสริญเวลาที่จะมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนาก็จะมีไม่มากเมื่อมีไม่มากแล้วผลที่จะพึงได้รับก็จะได้รับไม่มากก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย <c oughs> ยกเว้นมีเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนใจเช่นอยู่ใกล้กับความตายอย่างพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติจเจริญมรรคจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เจ็ดวันก่อนที่เสด็จสวรรคต แต่นี่ก็เป็นกรณีพิเศษหนึ่งก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาให้คำสอน <c oughs> มีเหตุการณ์ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เราเมื่อเห็นความตายมันคืบหน้าเข้ามาใกล้ตนเองแล้วจะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ลาบยศจันทรเสริญ สิ่งที่อยากได้ในตอนนั้นก็คืออยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องพบกับความตายนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางก็จะไม่สามารถที่จะ <c oughs> ทำให้ตนนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับพวกเรานี้เราก็ต้องใช้จินตนาการถ้าเรายังไม่มีความตายมาม า, มาเตือนมาปลุกพวกเราให้ตืน่นจากความหลงจากความประมาทนอนใจเราก็ต้องคิดถึงความตายอยู่เนืองๆ อ, <c oughs> อย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอา น, นุนให้คิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าเราไม่คิดอยู่อย่างเนืองๆ อ, อย่างต่อเนื่องเว <c oughs> ลาเราไปทํากิจต่างๆเราก็จะลืมไปพอเราลืมความตายไปความหลงก็จะกลับเข้ามาครอบงำก็จะหลอกให้เราอยากเลิาอยากรวย <c oughs> อยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้บุตรอยากได้ธิดา อยากได้ยศถาบรรดาศักว์อยากได้การสรรเสริญยกย่องเยินยอ <c oughs> อยากได้ความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้เราลืมกิจที่เราพึงกระทากิจที่จะดับความทุกข์ของใจเราให้หมดไปแทนที่เราจะมาดับความทุกข์กัน เรากลับมาสะสมมาเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเพราะสิ่งต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโอทัปะนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการดับไปทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไป ควกคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ดังนั้นถ้าเรามีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยเพียงไรก็จะมีความทุกข์มากน้อยเพียงนั้นมีมากก็จะยิ่งทุกข์มากมีน้อยก็จะมีความทุกข์น้อยถ้าไม่มีเลย ก็จะไม่มีความทุกข์เลยเช่นพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะเสด็จออกบวชสละราชสมบัติตอนนั้นในสายตาของคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าพระองค์มีความสุขมากมีปราสาทสามฤดูมีบริสัทมีบริวารมีพระราชทรัพย์มีรูปเสียงกิ่นลดโพธพภพ คอยให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าภายในพระทัยของพระองค์นั้นมีความทุกข์เพราะทรงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ทรงเห็นว่าไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ <c oughs> อยู่กับพระองค์ได้เสมอไป <c oughs> อันนี้พวกเราจะไม่เห็นกัน เวลาเราเห็นคนมั่งมีคนร่ำรวยมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเราก็จะคิดว่าเขามีความสุขกันมากเหลือเกินแต่ความจริงแล้วเขามีความทุกข์มากกว่าเราเป็นเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเท่าเลยทีเดียว <c oughs> เพราะเงินทองนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเองมีบาทหนึ่งก็ทุก บาทเดียวมีสิบก็ทุกสิบเท่าถ้ามีร้อยบาทก็ทุกร้อยเท่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราถูกอำนาจของความอยากครอบงำจิตใจความอยากนี้จะเห็นแต่ส่วนดีเพียงส่วนเดียวเช่นเวลามีทรัพย์เราอยากได้อะไร เราก็สามารถที่จะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นได้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นมันไม่ได้ทำให้เราดูดพ้นจากความทุกข์ไปความทุกข์ที่เรามีอยู่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะความทุกข์ที่เกิดจาก ความแก่ความเจ็บความตายนี้มันก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปเพราะว่าร่างกายนี้มันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีต่อให้เราทำอะไรตามความอยากได้มากน้อยเพียงไรก็ตามความการกระทาของเรานี้ก็จะไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายของเราได้ ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ทีฉ <c oughs> นั้นทำไปก็เหนื่อยไปปรเปล่าเป็นความสุขประเดียวประดาวเพื่อให้เราลืมความทุกข์ที่จะเกิดในอนาคตหรือที่กำลังเกิดในปัจจุบันพอเรามีความทุกข์เราก็ไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้กัน เราก็ลืมเรื่องของความทุกนั้นไปชั่วคราว <c oughs> พอเรากลับมาเราก็จะมาความทุกเจอความทุกนั้นอีกเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่หนีเราไปเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นเหมือนเงาตามตัวดังนั้นการที่เราไปมีความอยาก หาความสุขทางการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโพธภานั้นจึงเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดเป็นชอบไม่ใช่เป็นทางที่จะํำพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับจะทำให้เราเดินเข้าสู่กองทุกข์ลึกเข้าไปมากขึ้นทำให้ถอน ออกมายากมากขึ้น <c oughs> ทางที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องการออกจากการแสวงห า, าลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบาเพ็ญหลังจากที่ส่งได้เห็นเทวทูตสี่ เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่พระองค์จะต้องสัมผัสต่อไปในอนาคตแล้วก็เห็นทางออกคือเห็นนัก บ, บวชก็ส่งได้ความรู้ได้ปัญญาได้แสงสว่างว่ามีทางออกแล้วมีทางไปแล้วมีทางที่จะออกจาก ความแก่ความเจ็บความตายแล้ว <c oughs> ดังนั้นพอได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้ทรงคลอดพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเป็นเวลาที่ต้องไปแล้วเพราะถ้าไม่ไปก็จะไม่สามารถไปได้ต่อไปเพราะพระราชโอรสนี้จะเป็นเหมือนกับบ่วงที่จะผูกมัดพระองค์ไม่ให้ สละราชสมบัติไม่ให้ออกบวชได้พระองจึงทรงอุทานคำว่าราหุนราหุนนี้แปลว่าบวงเขาเลยตั้งชื่อพระราชโอรสว่าราหุนคืนนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยสเสด็จออกจากพระราชวังสละราชสมบัติโดยไม่ได้บอกไขไว้เลย เพราะถ้าบอกแล้วก็จะไม่สามารถไปได้เพราะจะไม่มีใครที่จะยอมให้พระองค์ได้ส <c oughs> <c oughs> ละราชสมบัตินั่นเองจะมีคนจะต้องหาเหตุผลหวานล้อมร้อยแปดพันประการถ้าได้ยินได้ฟังเขาก็จะอาจอ่อนพระไทย <c oughs> ทำให้ไม่สามารถที่จะเสด็จออกจาก พระราชสมบัติได้จึงต้องไปอย่างเงียงยงโดยมีนายฉันน่ะ ต, ติดตามไปเพื่อรับเอาพาหนะคือมากับพระราชหวังเท่านั้นนี่คือทางออกสู่ความทุกข์ต้องทำทานทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือต้องสละหมดเลย สละความสุขของคารวาดไปสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองสละาสลาภยศสรรเสริญแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชสำรวมกายวาจาใจสำรวมกายวาจาเรียกว่าศีลสำรวมใจเรียกว่าภาวนาถ้าสามารถ ควบคุมกายวาจาใจให้สงบ <c oughs> ใจก็จะมีความสุขใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การที่จะสำรวมกายวาจาใจให้สงบได้นี้จึงจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลจาก <c oughs> สิ่งต่างๆที่จะคอยยุยงให้กายวาจาใจไม่สงบนั่นเอง อยู่ใกล้อยู่ใกล้กับลาบยศสำลเสริญอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพะก็จะทําให้ใจนี้มีความอยากต่างๆนานาพอเกิดความอยากแล้วก็จะทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจวุ่นวายออกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวาย ก, กระสับกระส่ายจึงจําเป็นที่จะต้อง ไปเปกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ห่างไกลจากแสงสีเสีย ง, ห, งยห่างไกลจากลาบยศสารเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภ <c oughs> ัแล้วก็ต้องใช้สติควบคุมใจอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแล้วถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจ ใจก็ยังอดที่จะคิดถึงลาบยศสรรเส ร, ริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆไม่ได้ถ้าปล่อยให้คิดมากๆก็จะเกิดความอยากขึ้นมามากๆพอเกิดความอยากขึ้นมามากๆก็จะทำให้ใจอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากลาบยศสรรเส ร, ริญไม่ได้ก็จะถูกความอยากนี้ <c oughs> ปรักดัน ให้กลับไปหาลาภยศสเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ดังนั้นเวลาที่ได้สละทรัพย์สมบัติสละเพศของคารวาสไปแล้วไปอยู่แบบนักบวชแล้วจะบวชแบบห่มเหลืองห่มขาวก็ไม่ไม่สำคัญคำว่าบวชนี้ความจริงก็คือแปลว่าการออกจากกามนี่เอง ออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าบวชแล้วยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นนักบวัจริงบวชแต่ร่างกายคือโกนศีษะห่มผ้าเหลืองห่มผ้าขาวแต่ใจก็ยังดิ้นหาลูกเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะ ยังไปที่นู่นไปที่นี่ไปตามสถานอโคโจรต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ไปหาลาภยศสราเสินอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นนักบวชถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นนักบวชแต่ใจนี้ยังไม่ได้เป็นนักบวชใจยังเป็นข่าววาดผู้เสพกามอยู่ดีๆนี่เองผู้ที่จะเป็นนักบวชนี้ ต้องบวชที่ใจเป็นหลักคือใจต้องมีในคยมมะบารมีในคยมมะก็คือการออกจากกามมสุขนี้จะไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้โกรศสีรษะจะไม่ได้นุ่งขาวห่มเหลืองแต่ใจนี้เป็นนัก บ, บวช เพราะว่าไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญแต่จะหาความสุขจากการจํารวมกายวาจาใจให้สงบระงับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเวลาที่ใจระ ง, งับจากความโลภความอยากต่างๆแล้ว ใจจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเหมือนที่จะดีเท่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตติสันติบาลังสุ ข, ขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ <c oughs> ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องสำรวมอินทรีย์ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดเพาะชนิดต่างๆแล้วก็ต้องสำรวมใจสำรวมใจด้วยการเจริญสติต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดเถาะไม่ให้คิดไปถึงราบยศสรรเสริญให้คิดอยู่กับ อารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบเช่นอย่างที่พู้เจ้าทรงสอนให้พระอนุ์ให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าการเจริญมรณานุสติการสร้างสติขึ้นมาด้วยการระลึกถึงความตายอันนี้จะทำให้ใจไม่มีเวลาไม่มีความอยากที่จะไปคิดถึงเรื่องของราบยศสรรเสริญ ถึงเรื่องรูปเสียงกิ่นลดผลภัถ้าไม่เชื่อลองไปเจ็บไข้ได้ป่วยดูแล้วหมอบอกว่าเหลือเวลาอีกสามเดือนตอนนั้นยังจะคิดถึงเรื่องลาบยศสรรเสริญคิดถึงเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาอยู่รูปป้ป่าถ้าคิดก็แสดงว่าเป็นคนที่หนามากกิเลสตันหาแรงมากขนาดถึงใกล้เวลาจะตายแล้ว ก็ยังหยุดไม่ได้ยังหยุดกิเลสตัญหานี้ไม่ได้ถ้าความตายนี้หยุดไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วถือว่าเป็นพวกที่ด้านต่อความจริงด้านต่อแสงสว่างแห่งธรรมเป็นพวกที่แสงสว่างแห่งธรรมนี้เข้าไม่ถึงคือหนามากถ้าเป็นเมฆก็ชนิดที่ว่าแสงอาทิตย์นี้ไม่สามารถ โผลออกมาได้เลยเราสังเกตดูมเมฆหมอกนี่บางวันก็หนาบางวันก็บางถ้าวันไหนหนามากๆนี่มองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแต่ถ้าวันไหนมันไม่หนาขนาดนั้นก็ยังพอที่จะเห็นดวงอาทิตย์ยังพอที่จะมีแสงสว่างอยู่แต่ถ้าขนาดรู้ว่าจะตายแล้วยังยังอยากจะหาความสุข ทางลาบยศจลเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็สแสดงว่าเป็นพวกที่ต้องตัดสบัดชักสะพานแล้วคือถ้าเป็นหมอก็คือหยุดรักษาแล้วรักษาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีวันหายพระพุทธเจ้าทรงชักสะพานกับบุคคลเหล่านี้คือสอนไปก็ป่วยการต่อๆ่เสียเวลาเหมือนกับ เทน้ำใสหลังสุนัขเทน้ำใสเข้าไปสุนัข ก, ก็จะสะบัดทิ้งหมดจะไม่รับสุนัขนี้ไม่ชอบน้ำชั <c oughs> ้นใดคนที่มีกิเลสปัญหาที่หนานแน่นนี้ <c oughs> ก็จะไม่ชอบแสงสว่างแห่งธรรมแต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่ได้หนาขนาดนั้น ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไปภายในเดือนสองเดือนและสามเดือนนี้รับรองได้ว่าเราจะไม่คิดอยากจะหาความสุขต่างๆจะคิดอยากจะทำบุญกันอยากจะทำบุญตามกำลังของเราเราทำอะไรได้เราก็จะทาอย่างนั้นทันทีทาทานได้ก็จะทาทานรักษาศีลได้ก็จะรักษาศีนภาวนาได้ก็จะภาวนา ไปอยู่วัดได้ก็จะไปอยู่วันเพราะมีคนทําอย่างนี้มาแล้วเช่นลูกศิษย์ของหลวงตาท่านหนึ่งที่หมอได้วิจัยแล้วว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้เหลือเวลาไม่เกินหกเดือนเธอก็เลยขออนุญาตไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตากกับหลวงตาหลวงตาท่านก็เมตตาสงสาร โปรดสั่งสอนธรรมะให้เกือบทุกคืนอยู่เป็นเวลาสามสี่เดือนด้วยกันจนเธอมีธรรมะเป็นเครื่องดูแลรักษาใจของเธอให้เธออยู่ย่ายอย่างสงบไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายที่จะคืบคลานเข้ามาอันนี้แหละคือเรื่องของมรณานุสติ เรื่องของการเห็นความตายถ้าเป็นบุคคลที่เลาดก็จะนำออมาทำประโยชน์ได้ก็คือจะรีบขนขวายสร้างธรรมะที่จะช่วยทำให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นคนโง่ก็จะล่องหุ่มล่องไห้จะเศร้าโศกเสียใจ ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นไม่ได้สะสมสติปัญญาบารมีมาพอได้รับสิ่งที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญสติปัญญาก็รับไม่ได้ แทนที่จะทำให้เกิดความมีวิทยาอุตสาหะที่จะเร่งรีบสร้างสติปัญญาให้มีเพิ่มมากขึ้นก็กลับมาทำให้ท้อแท้หมดกำลังใจหรือเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรอย่างนั้นถ้าเรายังอยู่ในกรณีนี้อยู่เช่นเวลาเราเห็นความตายแล้ว เรามีความหดหูใจมีความเศร้าโศกเสียใจก็แสดงว่าเราขาดความสงบขาดปัญญาบารมีเราก็ควรที่จะรีบสร้างความสงบกันสร้างปัญญาบารมีกันคือมันทำใจให้สงบถ้าการเจริญมนานุสสตินี้ไม่ถูกกับเราคือเรา ไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความคิดปุงแต่งเพื่อทาใจของเราให้สงบได้เราก็ต้องใช้การเจริญสติในรูปแบบอื่นเช่นการเจริญพุทธานุสติแทนก็ให้เราเจริญบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้ถ้าเรายังไม่มีสตินี้นั่งไปก็ ป่วยการนั่งไปก็จะไม่สงบเหมือนก่อนที่เราจะเดินได้เราต้องยืนให้ได้ก่อนถ้าเรายังยืนไม่ได้จะไปเดินลุกขึ้นมาเดินเลยนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบนี้เราต้องเจริญสติก่อนการเจริญสตินี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกสถานที่ ยกเว้นเวลาที่หลักเท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดสามวันเจ็ดวันเพื่อเจริญสติเพราะสตินี้อยู่ที่ใจของเราการเจริญสตินี้ต้องเจริญที่ใจ <c oughs> สถานที่นี้ไม่สําคัญอยู่ที่ไหนก็เจริญได้การบริกรรมพุทโธนี้จะอยู่ที่ไหนก็บริกรรมได้อยู่ที่บ้านก็บริกรรมได้อยู่ที่วัดก็บริกรรมได้ อยู่ที่ทำงานก็บริกรรมได้แม้แต่อยู่ในสถานบันเทิงก็บริกรรมได้ถ้าเราจะบริกรรมเสอย่างใครจะมาห้ามเราได้ปัญหาอยู่ที่เราไม่บริกรรมกันเองปัญหาอยู่ที่ใจเราอ่อนแอพอถูกสิ่งแวดล้อมชักนำไปเท่านั้นก็ตามไปแล้วพอไปอยู่ในสถานที่บันเทิงก็เฮฮาไปกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ไม่มีกำลังที่จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจได้ <c oughs> นั่นก็แสดงว่าเรามีสติที่อ่อนมากไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้ได้ <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องพยายามบริกรรมพุทธโธเจริญสติให้มากจนเราสามารถบริกรรมพุทธโธได้ทุกแห่งทุกคน เบื้องต้นเราก็ใช้เวลาที่เราอยู่คนเดียวในตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปทําภารกิจ ต, ต่างๆเวลานั้นเราก็พุทโธได้ตลอดเวลาอาบน้ําอาบท่าล้งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปจนกว่าเราจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาเออ่ ฉุดลากใจของเราให้หลุดออกจากการบริกรรมไปเช่นเวลาเราพบกับคนเราก็ต้องทักทายกันคุยกันพอ เ, เริ่มคุยกันแล้วทีนี้ก็ไปแล้วลืมเรื่องการบริกรรมไปแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเราฝึกบริกรรมอยู่บ่อยๆนานๆเราก็จะสามารถดึงกลับมาได้เวลาทักทายกลนเสร็จแล้วคุยกันเสร็จแล้วเราก็หยุดเราก็กลับมาบริกรรมต่อ ทำเป็นช่วงๆไปช่วงที่เราไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไป <c oughs> ถ้าเรามีสติมีกำลังแล้วพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเรานั่งสมาธิเอาทีละห้านาทีสบนาทีก่อนก็ได้เช่นเวลาอยู่ที่ทำงานพอว่างสักห้านาทีสินาทีก็ถ้ามีห้องทำงานก็ปิดประตู แล้วก็นั่งทาสมาธิไปจนกว่าจะมีคนมาเคาะเรียกมาติดต่อการงานเราก็ค่อยหยุดแล้วเราก็ทำงานต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้รับรองได้ว่าต่อไปเราจะสามารถนั่งสมาธิได้พอเรานั่งสมาธิได้แล้วทีนี้เราก็จะคิดถึงเรื่องของความจริงได้ เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้ทำไมเราต้องคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะถ้าเราไม่คิดเราจะลืมแล้วเราจะไม่มเีเครื่องมือที่จะมาตันหาความอยากตัดกิเลสความโลภต่างๆนั่นเองคนที่ยังโลภยังอยากอยู่นี้ก็เพราะว่าลืมความตายกันไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายไป และ้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปโลกกันอยู่อย่างนั้นพยายามหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอาจจะตายไปในวันนี้ก็ได้คนเราเนี่ยที่ตายกันจะมีใครรู้บ้างไหมว่าจะตายกันในวันนี้ไม่มีใครรู้หรอก <c oughs> แต่ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆเราจะต้อง สมมุติแล้วว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ในวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่จะมาตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ถ้าเราตัดได้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว ถ้าเราไม่ได้สมาธิพอเรามาพิจารณาทางปัญญานี้จะพิจารณาไม่ออกเพราะจะไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองจะไม่ชอบคิดถึงความตายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บพอเวลาคิดแล้วใจมันหดหู่ใจมันหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจไม่สดชื่นเบิกบานเหมือนกับการคิดไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆคิด ถึงการที่จะได้ไปอยู่กับแฟนได้มีความสุขกับคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นความคิดของใจที่ไม่มีสมาธิไปอยากคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าใจที่มีสมาธิมีความสุขอยู่ในตัวแล้วก็จะไม่ชอบคิดถึงเรื่องของราบยศสรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฝนทพะแต่กับอยากจะคิด ถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าเป็นข้อสอบที่จะต้องทําต่อไปนั่นเองเพราะต่อไปก็จะต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บได้ความตายถ้าไม่ทําข้อสอบไม่เตรียมทําการบ้านไว้ก่อนไม่ซักซ้อมจิตใจให้รับกับความแก่ความจ้าความเจ็บความตายไว้ก่อนเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาจะสอบตก พรไม่ได้ทําการบ้านจะทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ามันซ้อมทําการบ้านอยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพอได้เผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่รู้สึกทุกข์อย่างไรจะรู้สึกเฉยๆเพราะรู้ว่านี่เป็นความจริง ไม่มีใครไปเปลี่ยนความจริงนี้ได้แต่ใจที่มีความสงบใจที่มีปัญญาจะไม่มีความอยากไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่มีความกลัวความแก่ความเจ็บความตายจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงว่าสอบผ่านจะาสอบผ่านได้ก็ต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อย ทำการบ้านอยู่เรื่อยๆถ้าถึงเวลาแล้วสอบไม่ผ่านก็แสดงว่าต้องกลับมาทําการบ้านเพิ่มขึ้ น, นเช่นหมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนจะต้องตายใจยังกลัวอยู่ใจยังทุกข์อยู่ก็ต้องรีบกลับมาทําการบ้านให้มากขึ้นทําใจให้สงบไพ่มากขึ้นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้มากขึ้นจนในที่สุด ใจไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วอันนั้นก็ถือว่า <c oughs> สอบผ่านแล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่มีเวลาสามเดือนหกเดือนก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องจินตนาการว่าเราได้ไปหาหมอมาแล้วในวันนี้และหมอได้บอกเราแล้วว่าเรามีเวลาไม่เกินสามเดือนเราจะต้องตายไป ถ้าเราจำลองเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันก็จะทําให้เรารีบเร่งที่จะได้สร้างมักสร้างเครื่องมือคือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่จะทําให้เราได้ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่มีความทุกข์กับความ แก่ความเจ็บความตายเราก็จะสอบทานดังนั้นเราต้องมีเหตุการณ์มาบังคับเราถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วเราจะ <c oughs> ไม่ยอมทำกันอย่างที่มีคำพูดว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่ขนขวายสร้างปัญญากันขึ้นมาเพื่อมาดับความทุกข์ ถ้าไฟไม่ไหม้บ้านก็จะไม่ไปหาน้ํามาดับไฟกันต้องให้ไฟไหม้บ้านก่อนแต่ถ้าไม่เตรียมน้ําไว้อยู่ใกล้บ้านเวลาไฟลุกแล้วมันก็อาจจะสายเกินไปไม่สามารถที่จะเอาน้ํามาดับไฟทันได้ไฟก็จะไหม้บ้านไปหมดดังนั้นเราต้องเตรียมน้ําไว้ล่วงหน้าก่อนเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราจะได้ หลัเราจะได้ดับไฟได้ทันการนี่ก็คือการเจริญมรณะรูสติหรือการรับรู้เรื่องของความตายไม่ว่าจะเป็นของขก็ตามถ้ารับรู้แล้วทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็แสดงว่าเราไม่ระมาแต่ถ้ารับรู้แล้วเราเกิดมีความหดหู่ใจมีความไม่สบายใจ อันนี้แสดงว่าเรายังประมาทอยู่เรายังไม่ได้จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญากันพอที่จะรับกับเหตุการณ์คือความตายนี้ได้แม้แต่แม้จะเป็นความตายของผู้อื่นก็ตามแต่ความตายของผู้อื่นเรายังรับไม่ได้แล้วความตายของเราเราจะรับได้อย่างไร น, นี่คือเรื่องของ การได้พบกับเทวทูตการได้ยินได้ฟังข่าวเรื่องของการสูญเสียชีวิตของบุคคลต่างๆถ้าเราได้ฟังบ่อยๆได้รู้บ่อยๆเราก็จะได้มีเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆ เช่นฟังปัดฉิมโมวาของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดก็คือให้เรารีบสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเสียแต่บัดนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาหรือ เหลือมากน้อยเพียงไรถ้าเรารีบสร้างเสียแต่วันนี้เราก็จะได้มีเครื่องมือไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เราก็จะไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกับของเราก็ดีหรือกับของไข่ก็ดีใจของเราจะไม่ทุกข์เลยเพราะใจของเรา ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงนําเอ า, เ, อาเทวทูต ท, ที่พวกเราได้สัมผัสรับรู้กันนี้เอามาเป็นเครื่องปลูกสติเครื่องปลูกใจเราให้ตื่นจากความหลงตื่นจากความโลภตื่นจากความอยากต่างๆให้เราลุกขึ้นมาสร้างมารรคที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ให้เรามารีดทำฐานกันรักษาศีลกันภาวนากันให้เราทำจากจุดที่เราทำได้แล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเหมือนกับให้เราเติมน้ำในตุ่มที่เรามีอยู่นี้ให้เติมจากจุดที่เรามีอยู่นี้เติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็จะเต็มตุ่มเองแต่ช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่ว่าเราเติมบ่อยหรือเติมไม่บ่อย แล้วน้ำที่เราจะต้องเติมนี่มีมากหรือมีน้อยถ้าน้ำที่เราต้องเติมมีน้อยมีน้อยมากเราก็ต้องเติมใช้เวลามากหน่อยน้ำถึงจะเต็มตุม่มถ้าเรามีน้ำมากอยู่แล้วเดี๋ยวเติมไม่มากเติมเดี๋ยวเดียวก็เต็มหรือว่าถ้าเรามีน้ำน้อยแต่เราขยันเติมอยู่เรื่อยๆเติมอยู่บ่อยๆน้ำก็จะเต็มตุ่มเร็วเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีน้ำน้อยแล้วเราขี้เกียจนานๆก็ใหเติมสักทีน้ำก็จะเติมน้าก็จะเต็มตุ่มช้าและเต็มตุ่มยากหรือถึงแม้ว่าเรามีน้ำเต็มมากอยู่แล้วถ้าเราไม่เติมเลยมันก็จะไม่เต็มอยู่ดีดังนั้นอยู่ที่การเติมน้ำอยู่ที่การเจริญมากถ้าเราทำมากเท่าไหร่มันก็จะสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น็มขอให้ท่านได้นาเอาเรื่องที่ ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนแล้วนำประโยชน์ที่ได้รับนี้ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ระโสยะาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภะอาพิวาธนาสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโอธรามวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง สมเด็จพระสังฆราชซึ่งพระชนก็มีหลายคนที่เข้าไปศึกษาไปอ่านประวัติหรือแม้กรท่าไปอ่านตำขานของเจ้าองค์ท่านแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าแม้ตอนที่ท่านยังดำรงชีพอยู่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติาตามหรือไม่ได้รับบริเวณพราองค์ท่านเหมือนเป็นพระที่นำครองเป็นเสียงและเจริญวัดแอก็เป็นเรื่องของเขาเราไป เราไม่ได้เป็นตัวเขาเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาดีความสนใจในเรื่องอื่นอัน่นี้เขาก็เลยไม่มาสนใจต้องรอให้เป็นข่าวก่อนถ้าเวลาเป็นข่าวแล้วที่นี่มาทำข่าวกันนี่มารับมีคนมาทำข่าวต้องสองสามเจ้านะทั้งปีทั้งชาติไม่เคยมีใครมาเลย พอมีเหตุการณ์ขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดมีการความสนใจแต่มันก็เป็นความสนใจเชื่อไฟไหม้ฟางเดี๋ยวไม่นานมันก็จางหายไป <c oughs> แต่ก็ยังดีที่ถ้าการจากของท่านไปนี้ทําให้เกิดมีความสนใจที่จะศึกษาร่ำเรียนก็ยังสามารถทําได้ เพราะคาสอนของพระ อ, องท่านไม่ได้ตายไปกับท่านนะเหมือนกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปกับพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากเร า, าศาสดาเพราะอะไรเพราะว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปนี่แหละคือาศาสดาที่แท้จริง ก็คือข้อธรรมคาสอนและพระประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าหรือของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านทิ้งไว้สมบัติอันลำ้ลำล้ค่าไว้ให้กับพวกเราอยู่มรดกอันล้าค่าสิ่งที่ไปนั่นเป็นของไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์อะไรร่างกายนี้ไม่มีคุณประโยชน์หลังจากที่ตายไปแล้วเป็นซากศพไป ซากศพของสัตว์กลับมีคุณค่ามากกว่าซากศพของมนุษย์เอเพราะยังขายได้อกยตายเป็ดตายหูตายวัวตายนี่ยังเอาไปขายที่ตลาดได้แต่คนตายนี่เอาไปขายที่ตลาดไม่ได้กลับต้องมีรายจ่ายต้องเสียค่าทำศพกันดัง้ร่างกายของมนุษย์เหล่านี้จะมีคุณประโยชน์ก็เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้น แันเราควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์ของร่างกายนี้ประโยชน์ที่เราจะได้ก็มีสองทางทางโลกและทางธรรมทางโลกก็เป็นประโยชน์ชั่วข่าวถ้าทางธรรมก็จะเป็นประโยชน์ที่ท้าวรนเพราะเป็นประโยชน์ที่จะติดไปกับใจใจที่ไม่มีวันตายแต่ประโยชน์ทางโลกก็จะติดอยู่กับร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญพอตายไปแล้ว เดี๋ยวก็มีคนนั่งรอรับตำแหน่งสังฆราชกันแล้วนี่คือประโยชน์ทางโลกมีประโยชน์ชั่วคราวแต่มรรคผลนิพพานที่ติดอยู่กับใจนี้ไม่มีใครมาเอาไปได้ของใครของมันนี่คือประโยชน์ทางธรรมพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไม่มีใครมาเอาตำแหน่งพระพุทธเจ้ามาเอามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าไปได้ สมเด็จพระสังฆราช ต, ตายไปก็ไม่มีใครที่จะมาเอามรรคผลนิพพานของท่านไปได้เราไปได้ก็คือตำแหน่งสังฆราชเดี๋ยวพอเสร็จผ่านงานพิธีต่างๆผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีสังฆราชองใหม่โผลขึ้นมาใหม่นี่คือประโยชน์ทางโลกไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ทางธรรมทางใจขอให้เราไม่ต้องไป ลหลงไหลกับประโยชน์ทางโลกให้มากจนเกินไปอย่าไปลหลงไหลเลยได้จะดีกว่าให้แค่เพียงแต่หาปัจจัยสี่ไว้เพื่อมาดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้เราได้เอาร่างกายนี้มาสร้างประโยชน์ทางทำสร้างประโยชน์ทางใจกันจะดีกว่าดัางนั้น <c oughs> ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดในความสนใจศึกษาก็ดี เพียงแต่ขอให้ศึกษากันอย่างจริงๆจังเถิดศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบัติเถิดอย่าทําเป็นแบบแฟชั่นทําแบบไฟไหม่ฟังพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เกิดการสนใจขึ้นมาแล้วก็มาบน่นว่ากันว่าเสียดายไม่ได้รู้กันมาก่อนมาศึกษากันก่อนอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อรู้แล้วว่าพระองค์ท่านมี ความดีมีความรู้ที่ดีที่งานไว้สั่งสอนเราเราก็ต้องรีบขนขวายศึกษากันศึกษากันอย่างเอาจริงเอาจังไม่ใช่ศึกษากันเป็นแบบแฟชั่นเดี๋ยวพอมีเหตุการณ์อย่างอื่นปรากฏขึ้นมาก็ลืมเรื่องนี้แล้วก็ไปยุ่งกับเหตุการณ์ใหม่อีกเข้าใจไหม เอมีอะไรก็แบบอยากกลับเขากลับพระเจอีกรอบเรื่องสาราไม้แห่ น, หนี้บับประวัตินี้ที่นรที่ไปคือที่บนเขาทิโย น, นี้เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเขาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางวัดยานทางสมเด็จประสังคราตซึ่งตอนนั้นเป็นสมเด็จพระยานสังวร ได้ทรงมาสร้างวัดยานสังวารามขึ้นแล้วทรงเห็นว่าบริเวณมน์ขานี้เป็นสถานที่เหมาะสมสัพยะต่อการจเจริญสัมมธรรมคือต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาพระองค์จึงได้ให้พระภิกษุสา ม, มเณรได้ขึ้นมาสร้างสถานที่บำเพ็ญกันโดยมีคารวาดญาติโยมมาสนับสนุน ช่วงนั้นยังไม่มีถนนขึ้นมาบานเขาญาติโยมก็ช่วยกันขนไม้ที่ได้รับจากบอยจากของผู้มีศรัทธาหรือบ้านเก่าออกนี่เป็นไม้ของบ้านเก่าแล้วช่วยกันแบกหาไม้กันขึ้นมามาสร้างกระทอมมาสร้างศาลากันแล้วก็สร้างที่พักทําให้กับสมเด็จพระสังฆราช ด, ด้วย สมเด็จนี่เวลาท่านมาบำ ม, มาบาเพ็ญภารกิจเกี่ยวกับการสร้างวัดยานท่านก็จะขึ้นมาบำเพ็ญภาวนาในตอนในตอนค่ำท่านจะพักอยู่คุนเขาแล้วก็มพีพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้สเสด็จมาหาวันหนึ่งก็ท่งมารับสเสด็จที่บนศาลาหลังนี้ ซึ่งตอนนั้นก็มุ่งด้วยย่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของต่ำต้อยแต่มีพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระยาณสังวรนั่งสนทนาธรรมกันบรรด า, าผู้ติดตามเห็นว่าศาลาหลังนี้มันไม่เหมาะสมกับฐานะสถานภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ ก็มีการนำรื่อว่าจะลื้อทิ้งแล้วสร้างให้มันดีให้มันถาวรให้เหมาะสมกับการต้อนรับผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่พอชาวบ้านได้ทราบข่าวชาวบ้านที่เขาเหนื่อยลำบากกับการแบกไม้แบกข้าวแบกของขึ้นมาแล้วสาลาเครื่งสร้างเสร็จได้ไม่ไม่นานประมาณสักสามสีเ่เดือนได้ <c oughs> เขาก็ไม่ยอมให้ลือเขาถึงกับบอกบอกเลยว่าถ้าลื้อศาลาหลังนี้เขาจะไม่ใส่บาทให้พระอีก่อความทราบถึงสมเด็จท่านสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เลยบอกว่าให้ระ ง, งับไว้อย่าไปอย่าไปลื้อให้อนุรักษ์ศาลาหลังนี้ไว้ศาลาหลังนี้สร้างในปี2526 เป็นปีที่สมเด็จท่านรับสเด็จพระเจ้าแผ่นดินที่บนสาราหลังนี้เ <c oughs> มื่อก่อนเป็นมุงด้วยหญ้าหญ้าที่หญ้านี้ถ้ามุงไว้ใช้ประมาณสี่ห้าปีมันก็จะผุต้องลือ้อทำใหม่ก็จะต้องลื้ออยู่เรื่อยๆทุกสี่ห้าปีก็เลยตัดภาระเรื่องนี้ไปโดยการมุงเป็นสังกะสีไป สังกษีชุดนี้ก็เป็นชุดที่สองสร้างมานี่ก็ประมาณเปลี่ยนเป็นสังกษีมานี่ก็ประมาณคประมาณปีสามศูนย์สามศูนก็เปลี่ยนสองครั้งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองด้วยกันก็ยังใช้เป็นประโยชน์ได้มาจนถึงทุกวันนี้มีคนบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกเ็าว่าให้ อย่าไปมองที่ลูกมันให้มองที่การใช้งานว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเรานั่งบนนี้ปลอดภัยกันหรือเปล่ามันทังหรือเปล่ามันหลบแดดหลบฝนได้หรือเปล่าเท่านี้ก็พอสมัยพระพุทธการท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องถาน ว, วัลวัตถุสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญนี้ไม่มีศาลาไม่มีกุฏิทรงประทับอยู่ตามโคนไม้บ้างตามถ้ำ ตามเงื้อมผาบ้างตามเรือนร่างบ้างนี่แหละคือที่เกิดของพระพระพุทธเจ้าของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ได้เกิดตามกุติวิหารอนันหรูหราราคาสิบล้านร้อยล้านแต่เกิดอยู่กับสภาพที่เรียบง่ายสภาพตามแบบธรรมะจัดสรรคือตามมีตามเกิดมีอะไรก็อยู่ไปข้อสาคัญ ที่อยู่นั้นขอให้วิเวกสงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาท่า น, นั้นอันนี้คือหลักของการหาสถานที่บําเพ็ญอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องหรูหรากุตติจะต้องมีราคาเป็นสิบล้าน ถึงจะบรรลุมรรคผลนผิพพานได้ยิ่งราคาแพงเท่าไหร่ยิ่งบรรลุยากขึ้นเท่านั้นเ <c oughs> พราะติดอยู่กับความสุขนิพพานนี้ท่านบอกว่าอยู่ฟากตายอุบาจันทร์ท่านเคยพูดไว้ว่าผู้ที่อยากจะไปนิพพานนี้ถ้าไม่ยอมตายนี้ไปไม่ได้แต่ยังรักตัวกลัวตายอยู่ยังต้องอยู่ในกุติที่ปลอดภัยที่ ไม่มีภัยอันตรายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายชีวิตได้ก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้เพราะความกลัวตายนี้มันเป็นกิเลสนั่นเองเป็นกิเลสที่เราต้องทำลายให้ได้เพราะว่ากลัวหรือไม่กลัวมันก็ตายอยู่ดีแต่ผู้ที่ไม่ไม่กลัวนี่แหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุมากผลนิพพานได้ ผู้ที่กลัวความตายนี้จะไม่มีวันหลุดพ้นได้เพราะว่าความกลัวตายนี้ก็คือกิเลสตัณหาดีๆนี่เองและผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาทั้งหมดให้หมดไปให้ได้อย่างถ้าไม่ทำลายความกลัวตายแล้วก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้การที่จะทำลายความกลัวตายได้ก็ต้องอยู่แบบเดนตาย อยู่แบบตามมีตามเกิดอย่างพระธุดงค์ทั้งหลายท่านอยู่กันท่านแบกปวดแบกบาดไปอยู่ตามป่าตามเขามีตรงไหนหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่มันตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้ชาวบ้านมาเมตตาสงสารสร้างแคร่ให้อยู่อันหนึ่งเท่านั้นเองส่วนนังคาก็ใช้มุงกรดเวลาฝนตกก็กางมุ้งกรด เวลาจะนอนจัดภาวนามียุงก็กางมุ้งกดแล้วก็กางมุ้งนั่งอยู่ในกอดนั้นนี่แหละคือที่อยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เกิดของพระอริยเจ้าท่านเกิดในที่เหล่านั้นลองศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆดูดูว่าท่านบรรลุในกุติเรือนราสิบล้านยี่สิบล้านกันหรือเปล่าหรือว่าท่านบรรลุกันบนแคบนบนเดือนล้าน ตามโคนไม้ในถ้ำเนี่ยนี่แหละคือที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลผนิพพานเราก็ต้องทำแบบเดียวกันอย่าไปกลัวความตายกลัวไม่กลัวก็ตายเหมือนกันและสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ดีเป็นเพียงบ้านที่เราเอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านตัวเราคือใจที่ไม่มีวันตาย เราอาศัยร่างกายนี้เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำภารกิจต่างๆฉะนั้นเราควรที่จะเอาร่างกายนี้มาทำภารกิจให้กับใจอย่าเอามาทำภารกิจให้กับกิเลสตัณหาด้วยการกลัวความตายหรือด้วยการกลัวความทุกข์ยากลำบากอันนี้เท่ากับเราเอาร่างกายมาทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาไม่ได้มาทำประโยชน์ให้กับธรรมะ ถ้าธรรมะแล้วต้องไม่กลัวตายเพราะถ้ากลัวตายก็จะไม่มีวันเห็นธรรมไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้นี่ก็คือเรื่องของความเป็นมาของสถานที่ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ตอนต้นก็สร้างเป็นกระสอบกันแล้วต่อมาสมเด็จท่านก็มีญาติโยมมีศรัทธาถวายกุติที่ยหลังสองหลังตอนนี้มีอยู่กุติให้มีพระอยู่ได้ประมาณสิบกว่า รูปด้วยกันแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมสร้างกุฏิถวายให้พระองค์ประทับอยู่ถึงสองสามหลังด้วยกันพระองค์ก็ทรงสเสด็จขึ้นมาทุกครั้งที่มาบำเพ็ญภารกิจทางวัดยานจนไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เนื่องจากชลาภาพเพราะว่าต้องมีแพทย์ติดตามต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งการที่จะมาพัะทับบนนี้มันยากเพราะไม่มีน้ำไม่มีน้ำ ป, ป่าไม่มีไฟฟ้าตอนที่สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมบนนี้ก็ทรงมีดําหรือว่าไม่ให้ใช้ไฟฟ้ากันต้องการให้อยู่แบบวัดป่าสายหลงปู่มั่นกันเช่นวัดป่าบ้านตาลนั้นก็จะไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากันในยุคที่ เป็นยุคที่บำเพ็ญเพียรกันนี้จะไม่มีไฟฟ้ามามีตอนชุกยุคหลังๆที่มีพระรักภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคารวาดญาติโยมที่มาทำบุญกันมากจึงมีไฟฟ้าใช้เฉพาะส่วนกลางคือที่ศาลาและที่โรงครัวแต่ยังไม่ให้ใช้ตามกุติต่างๆตามกุตินี่ก็ไม่ให้มีไฟฟ้าเพราะไฟฟ้านี่เป็นสื่อของกิเลส เป็นเครื่องมือของกิเลสเพราะว่าถ้ามีไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆมันก็จะเข้ามาได้ตู้เย็นก็เข้ามาได้ไฟฟ้าก็เข้ามาได้ทีวีก็เข้ามาได้วิทยุก็เข้ามาได้อะไรต่างๆก็จะเข้ามาได้ถ้าเข้ามาแล้วก็เท่ากับเผากุติของตนเองไปเอาไฟมาเผากุติของตนเอง เผาใจของตนเองด้วยราคาตันหาโดยโทสะโมหะดวงตาท่านจึงเข้มวดขวดขันเรื่องการมีไฟฟ้าบ้างโทรทัน์นี้ท่านตั้งชื่อใหม่ว่าเทวทั์เทวทั์ททก็คือผู้ทำลายศาสนานี่เองนั้นสมัยที่อาตมาไปปฏิบัตินั้นจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวิทยุ ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิและทำภารกิจของพระเช่นบินทบาทปัดกวาดลานวัดกวาดถูศาลาอันนี้จะเป็นกิจของพระที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตากกันเป็นกิจที่จะทําให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามัวไปยุ่งกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆก็เท่ากับ สึกออกจากการเป็นนักบวชนั่นเองการกลับเข้าหาการ ม, มาสุขหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกูา <c oughs> บาอาจารย์ท่านจึงระมัดระวังเรื่องของอสื่อต่างๆที่จะเข้ามาทำลายความสงบการบำเพ็ญของผู้ปฏิบัติกันจึงตัดปัญหาด้วยการไม่ให้ใช้ไฟฟ้า พอไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ก็จะสิ่งต่ตางๆก็จะเข้ามายากอันนี้ก็เหมือนกันบนเขานี้ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มาตลอดเลยนะมีอะไรอีกไหมอ่าใครอยากจะถามหรือใครอยากจะทําอะไรก็เข้ามาได้นะอ่า ถาปัญหาหรือถวายกับปัจจัยเอาวางไ้ตรงนั้น dancer. มีซีดีก <c oughs> ับหนังสือเชิญหยิบไปได้เมื่อก่อนเขาวิตกเหมือนกันว่าคนมามากขึ้นมากขึ้นแล้วศาลาหลังนี่จะทำไงมันไม่พอนั่ง แต่มันก็มีทางไปกันได้มันก็มีวิธีใหม่ก็นั่งกันบนลานบนพื้นขึ้นไปมีเครื่องขยายเสียงสามารถที่เอาไปวางไว้จุดต่างๆได้ก็กลับดีสิเพราะว่าไม่ต้องมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆบรรยากาศก็ใกล้เคียงกับสมัยพระพุทธการมากเช่นวันมาค้าบูชามีพระอารยพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาฝ้าพระพุทธเจ้านี้ ไม่มีปรากฏว่าทรงประทับอยู่บนศาลาหลังไหนเลยเพราะไม่มีศาลาสมัยนั้นพะเวลามาก็ไม่ได้นัดกันไว้ก่อนมากันแบบธรรมะจัดสรรให้มากันเองมากันแล้วนั่งตรงไหนที่ไหนมีนั่งก็นั่งมันไปเลยก็เท่านั้นเองอันนี้แหละศาสนาแท้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุอยู่ที่ใจ อยู่ที่ความเรียบง่ายอยู่ตามมีตามเกิดอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของถาวรลวัตถุมากเกินเกินไปเช่นในช่วงกระถินเนี่ยส่วนใหญ่ก็วุ่นไปกับเรื่องถาวรละวัตถุ ก, กันแต่ละวัดก็อยากจะได้เงินได้กระถินกันเพื่อที่จะได้เอาไปสร้างโบสถ์บ้างสร้างเจดีย์บ้างสร้างศาลาบ้างสร้างห้องน้าห้องส้วมบ้างสร้างเมนบ้าง สร้างอะไรกันไปหมดเลยเริ่มเริ่มไปหมดเลยว่ า, าศาสนานี้มีไว้เพื่อสร้างมรรคผลนิพพานกันกลับมาสร้างห้องซ่วมกันสร้างเมนกันแล้วมันจะเป็นาศาสนาที่วิเศษได้อย่างไรอันนี้แหละคือความห่างไกลของพุทธศาสนิกทชนของเราเมืองไทยเราถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่มันจะเป็นพุทธที่เปลือกแล้วมันไม่ได้เป็นพุทธที่แก่นแก่นนี้หาไม่ค่อยได้ ชาวต่างชาติก็กลับเข้าถึงแก่นง่ายกว่าพวกเราที่เป็นชาวพุทธโดยซ้ําไปชาวต่างประเทศนี่เขามีหนังสือธรรมะอ่านกันหนังสือธรรมะเนี่ยที่คัดมาจากาพระไตรปิฎกนี่ล้วนเป็นแก่นทั้งนั้นเลยธรรมะจากกับปวตนาสูตรมงคลละสูตรสติปัฏฐานสูตรพอพวกนี้เขาได้ศึกษาประสูตรเหล่านี้แล้วเขาก็เกิดศรัทธาอุตส่าห์เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมาขอบวชกัน มาปฏิบัติธรรมกันดูเศรษฐชาวต่างประเทศนี่ที่เขามากันเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อมาร่วมสร้างเจดีร่วมสร้างศาลาร่วมสร้างโบสถ์สร้างอะไรเขาผ่านพวกนี้ไปเลยเขาเข้าถึงแก่นเลยแก่นก็คือการภาวนาการบวชอันนี้แหละพวกเราที่เป็นชาวพุทธเราควรที่จะมองเขาเป็นตัวอย่าง ให้ครับิดว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ได้เราทำไมทำไม่ได้เพราะเราถูกปลูกฝังมาใบในทางที่ผิดนั่นเองปลูกฝังให้อยู่กับเรื่องพิธีกรรมถึงแม้การบวชก็เป็นการบวชแบบเป็นพิธีบวชเพื่อศึกกันทุกคนอยากให้ลูกบวชกันแต่บวชแล้วอยากให้ศึกกันไม่ใช่บวชแล้วไม่ศึกกันถ้าบวชไม่ศึกแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาเลย นั่นแหละเพราะว่าตนเป็นพูทธที่ไม่รู้คุณค่าของการบวชไม่รู้คุณค่าของมรรคผลที่ผ่านกันเพราะไม่เคยศึกษาแก่นของศาสนากันเลยเนี่ยไม่มีธรรมเนียมสอนให้ว่าทุกคนเกิดมานี้ต้องรู้จักธรรมจักระวัฒนาสูตรเนี่ยหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ธรรมจักระวัฒนาสูตรเนี่ยเป็นพระประถมพระปรมเทศนา คำสอนข้้งแรกของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงสแสดงแก่นของศาสนาเลยถ้าเป็นกฎหมายก็เป็นรัฐธรรมนูญเลยว่ามีอะไรบ้างทรงสแสดงมรรคสี่ผลอ่มรรคสี่มรรคสี่ผลสีนิพพานหทรงสแสดงอริยสัจ ส, สี่ทรงสแสดงมรรคแปดอันนี้แหละคือแก่นของศาสนาถ้าทุกคน เกิดมาพอเรียนรู้พอเรียนรู้ได้แล้วก็ให้มาศึกษ า, า <c oughs> พัสูตรอันนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่หลงทางกันนี่ไม่มีใครสอนกันเลยทำไมเป็นยังไงก็ไม่รู้กลับไปเรียนรู้วิชาบ้าบอคอแตกได้ไม่นมนะ้อยมีป ร, ริญญาทุกรูปแบบเลยป ร, ริญญาเต้นลัมก็มีปเป็ญยาทำกับข้าวก็มีเรียนใบหาอะไรกันขอพุณนี้ไม่ต้องเรียนมันก็ได้ เต็นลัมันต้องไปเรียนปริญญากันที่ไหนทำกับข้าวมันต้องไปมีปริญญากันที่ไหน <c oughs> <c oughs> แต่ความรู้อันวิเศษของพระศาสนากับไม่เรียนกันน่าจะสอนเด็กตั้งแต่เด็กเรียนรู้ได้สอนไปเลยสอนอริยาาสัจสี่มากแปดไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าจับพระลาหุนบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบหนึ่ง <c oughs> ทำไมท่านจับเด็กบวชได้ ทำไมเราสอนลูกเราเกี่ยวพระ อ, อริยสัจสีไม่ได้มันต่างกันตรงไหนเราไม่สอนเขาเขาก็เลยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยโง่งเหมือนเรา <c oughs> พระอรหันได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ได้บรรลุปเป็นพระ อ, อราหันเหมือนกันแต่มันไม่ยากหรอกการเป็นพระ อ, อราหันเนี่ยขอให้มีครูที่เป็นพระ อ, อราหาันคอยสอนนะก็มีเท่านั้นแหละ <c oughs> ความดีที่เราจะอยู่ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดํารงชีวิตการทํางานการปฏิบัติธรรมติการทำก็ได้ใลายๆก็ได้ไอความพอดีเนี้ยมันม็อกหรือมันบูเซ็ตตรงไนครัดูที่มากน้อยสันโดษนะเอาน้อยที่สุดกินข้าวก็กินให้มันน้อยที่สุดเสื้อผ้าก็เอามันน้อยที่สุดหรือถ้าสันโดษก็ตามมีตามเกิด สีของประชาชนเขาไม่ให้งานออกทำเรามีความสุขเพราะเราไม่ต้องทงางอออํางานต้องเฉยเฉยนี่เป็นความสันโดษหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องสันโดษมันเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราคคือเราทํางานเรามีงานแต่เราไม่ต้องทําอะไระได้รับเงินก็ถือว่าเป็นผลบุญเก่าของเราก็แล้วกัน ถ้าเราไม่ไปทำบาปทำผิดกฎหมายก็ไม่เสียหายอะไรอย่างภาพบางรูปท่านก็มีคนทำบุญมากบางรูปก็มีคนทำบุญน้อยไอ้นั้นจะเรียกว่าสันโดยก็ได้ก็ยินดีตามมีตามเกิด <c oughs> คืออย่าให้เกิดมีความโลภความอยากได้มากกว่าที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่ก็แล้วกันหรือที่เกินความจำเป็นไป เช่นน้ำหนักเราเนี่ยมันมันมากน้อยหรือสันโดดมากๆเอออันนี้ต้องมาแก้แล้วตั้งเกสิรไปแล้วสี่สิบโลแล้วครูจาร์ขึ้นอีกสี่สิบโลโอ้โหเกือบเกือบจะหนักเท่าน้ําหนักตัวเราคืออย่างสมมติว่าเราทํางานใช่ไหมครูจาร์ถ้าเราไม่ทําเลยเขาก็หาว่าเราขี้เกียจใช่ไ้มครับหรือถ้าเราทํามากไปเราก็โลภใช่ไหมครับ ไรมื่หลอกการทํางานมากไม่เรียกว่าโลภหรอกการทํางานมากเรียกว่าขยันมีวิริยะมากความโลภอยู่ที่การต้องการผลต่างๆแต่นี้เรียกว่าโลภแต่การกระทํานี้ไม่เรียกว่าโลภทํามากก็เรียกว่ามีความขยันมากทําน้อยก็เรียกว่ามีความขี้เกียจมากไม่ใช่ว่าทําน้อยเพราะต้องการความพอดีเลยทําน้อยไม่ใช่ การกระทํานี่ถ้าเป็นการกระทําที่ดีทําให้มากนี้มันไม่เป็นโทษมันมีแต่คุณประโยชน์เช่นบําเพ็ญเพียรเนี่ยบําเพ็ญเพียรให้มากมันก็จะได้ผลเร็วอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเรียกว่าเป็นความวิรยิยะอุตสาหชันทวิรยิยะจิตตะมีมังสาอิทิบาทสี่ความทําน้อยเนี่ยคือไปมากน้อยในสิ่งที่ไม่ควรจะมากน้อยแล้วก็ไป มักน้อยในสิ่งที่อ <c oughs> ไปมักน้อยในสิ่งที่ไม่ควรไปมักน้อยแล้วก็ไปโลภในสิ่งที่ไม่ควรโลภอย่างนี้ใช่ไมไปโลภในเรื่องอาหารนี่กินมากเกินไปนะ <c oughs> แล้วก็มักน้อยขี้เกียจทํางาน <c oughs> พอกินมากมันก็ขี้เกียจกัน <c oughs> ทั้งต้องอดข้าวกันนะภาวนาจะได้ไม่ขี้เกียจภาวนากันอ ย, อยู่วัดฉันมือเดียวไปเป็นโยมสามมือเอออยู่วัดบางทีไม่ใช่ฉันมือเดียวบางทีสามวันค่อยฉันทักมือเนี่ยมีชาวต่างประเทศที่มาอยู่เนี่ยมาวันแรกพอมาคุยกับเราเรื่องการอดอาหาร <c oughs> เขาก็อดห้าวันเลยแล้วตอนนี้เขาก็อดสองวันมารับประทานครั้งหนึ่ง ทุกสองวันจะอดสองวันแล้วก็ออกมาแล้วประทานครัง้งนึงแล้วตอนนี้อยากจะถือเนสัตชิกด้วยอยากจะไม่นอนเนี่ยเขามีความขยันมากความเพียรมากเพราะเขารู้ว่าเหตุที่จะทําให้เขาบรรลุก็คือการภาวะนาะการปฏิบัติแล้วเขาก็รู้ว่าเวลาของเขานี้ไม่แน่นอนชีวิตของเขาไม่แน่นอนว่าจะหมดเมื่อไหร่เวลาที่จะมีโอกาสได้ภาวาอย่ังนี้จะมีเหลือมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้ อาจจะมีภารากิจมีเรื่องมีราต่างๆที่อาจจะต้องเดินเข้าไปก็ได้เขาเลยรู้สึกว่าทุ่มเทมากคนนี้อายุไม่มากเพิ่งอายุยี่สานจบจากมหลาลัยมาแล้วก็ไปอยู่กับพระอาจารย์เจฟที่แซนเดโกอยู่ปีหนึ่งอยู่ศึกษาอยู่ปีหนึ่งแต่พระอาจารย์เจฟไม่ยอมบวชให้แนะนําว่าให้มาอยู่เมืองไทยก็ไปพักอยู่ที่พระวัดพระอาจารย์ตันแล้วก็มีคนแนะนําให้มาที่นี่ พอมาที่นี่แล้วแกก็มาอยู่ได้เกือบเดือนแล้วก็ยังอยู่ต่อไปชอบบรรยากาศที่นี่ชอบความสงบชอบความเรียบง่ายชอบความอิสระเสรีภาพที่นี่เราไม่ค่อยมีการควบคุมบังคับกันคือเคลว่าโตกันแล้วรู้แล้วว่ากิจที่เพึ่นกระทำนั้นมีอะไรบ้างคนที่ขึ้นมานี่ขึ้นมาด้วยความสมัครใจ แล้วก่อนจะขึ้นมาก็ทดสอบใจให้รออยู่ก่อนให้พักอยู่ข้างล่างไปก่อนอยู่จนเราเห็นว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นมาเราถึงจะอนุ ญ, ญาตให้เขาขึ้นมาดัง<ม>นั้นคนพวกนี้ไม่ต้องไปคอยจ้าจี้จ้าชัยไปคอยอไล่เขาไปคอยดึงเขาให้มาภาวนาเขารู้หน้าที่ของเขาเพราะพวกนี้มีหน้าที่การงานมีฐานะ ดีกันมาก่อนที่จะมาบวชกันทั้งนั้นไม่ได้บวชหนีความทุกข์ยากลำบากมากันมาบวชเพราะมีความอยากปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเดืนพวกนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับกันปล่อยให้เป็นไปมีหน้าที่ทำเป็นตัวอย่างเรามีหน้าที่เราก็ทำกิจของเราไปทำหน้าที่ของเราไป พอเห็นเราทำอะไรเขาก็ทําตามเรา <c oughs> มีปัญหาอะไรก็มาถามถ้าไม่มีปัญหาเอาหนังสือเราซีดีไปอ่านไปฟังกัน <c oughs> นี่เราสอนวิธีแบบนี้ไม่ได้เรียกพระมานั่งอบรมสั่งสอนเหมือนสมัยอยู่กับหลวงตาสมัยนั้นท่านจะเรียกประชุมกันทุกสี่ห้าวันเรียกอบรมสั่งสอนกันเพราะพระ สมัยนั้นก็มีภาคที่อ่านหนังสือเป็นบ้างก็มีอ่านไม่เป็นก็มีมีการศึกษาน้อย <c oughs> ก็เลยต้องอาศัยการเคี่ยวเข็นกันการเทศอบรมสั่งสอนกั น, <c oughs> กนแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมีนักศึกษาระดับปิญญาทั้งนั้นที่มาบวชกันวันนี้ <c oughs> งนั้นเขามีไฟในตัวของเขาแล้วเขาไฟรู้ไฟศึกษาของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางโลกมาศึกษากับเรื่องทางธรรมแล้วมันก็เป็นก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรของเราก็ได้เพราะเรามาอยู่แบบนี้สภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนี้ก็เลยก็ เ, เลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเพราะเราก็ไม่ได้เป็นผู้มาสร้างวัดนี้เราก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าอาวาสวบดนี้ เราจะมาเคี่ยวเข็นเขาก็ไม่ได้อยู่ดีไปเคี่ยวเข็นไปบอกเขาเขาไม่เชื่อเราก็ไปทไําลายเขาไม่ได้ถ้ามีมีอยู่ทางเดียวถ้าเขาไม่เชื่อเราเราเราก็ต้องไปเท่านั้นยนั้นเราอย่าไปให้เดินไปถึงจุดนั้นเพราะเรายังไม่อยากไป จังครับโยงฝรั่งนี่คืออเล็กจังละครับเอ่อเห็นบอกอายุยี่บสามเนีมาอยู่เมืองไทยสี่เดือนนี่อ่านไทยพูดไทยได้แล้วเขาเห็นเขาคุยกับอ่าที่ดำรงครั้งที่แล้วครับอ่าเขาบอกว่ามีคนถามเขาว่าอยู่ข้างบนเนี่ยเขาไม่กลัวผีบ้างเหรอเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกผีอะแต่เขากลัวการเกิดมากกว่านั่นใช่ไหมนั่นแหละพูดแบบนักป่าใช่ไหอ พูดแบบคนมีปัญญาเขารู้ว่าเนี่ยว่าเนี่ยการเกิดนี่แหละเป็ทุกข์พวกเราเนี่ยมันพวกอะไรก็ไม่รู้กลัวในสิ่งที่มันไม่มีไม่เปไม่เคยเห็นกันมากลัวกันแล้วเกินบางคนมาอยู่ได้ถึงสองทุ่มก็ขอกลับบ้านก็มีเห็นผีเต็มไปหมดเลย <c oughs> จิตร้อนไงจิตหลอกตัวเราเอง เห็นได้ินเสียงกุก๊กกก็ผีละ่ะเห็นใบไม้วิวหน่อยก็ผีละ่ะอันนี้ละ่ะพอเราถูกปลูกฝังมาให้เชื่อของที่ไม่น่าเชื่อกันของที่น่าเชื่อกับไม่เชื่อกันอย่างเขาเนี่ยเขาศึกษาเข้าไปที่แก่นเลยะศึกษาธรรมจาจากนี่พระพุทธเจ้าก็บอกเลยว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ก็คืออุปทานในขันห้าความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือการยึดติดอยู่กับร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดต่ตางๆอันนี้แหละรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไฟแรงมาก เห็นตอนนี้สนใจอยากจะท่องปฏิโมกขแล้วเนี่ยังไม่ได้บวชเลยการท่องปฏิโมกนี้ถ้ามีสมาธิมีสติดีๆนี่ท่องไม่กี่อาทิตย์ก็ท่องได้แล้วมีอานิสงส์ด้วยเพราะเป็นอุบายให้ทําให้เจริญสติให้ทำให้จิตให้มีสติมากเพราะว่าเวลาท่องปฏิโมกใจก็ต้องจดจ่ออยู่กับบทปฏิโมก จำต่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้ปริโมกนี้มีสองมีคือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยใช้เวลาท่องประมาณสี่สิบห้านาทีได้กัน <c oughs> ท่องสี่สิบห้านาทีได้นี่ใจจะเย็นใจจะสงบเลยไม่ต้องปริกรรมพุทโธไม่ต้องอะไรสมัยที่เราเริ่มนั่งใหม่ๆแล้วก็ท่องสติปัฏฐานสูตรก็ใช้เวลาประมาณเท่าๆกันสี่สิบนาที แต่เป็นภาษาอังกฤษเนะภาษาเป็นภาษาอังกฤษท่องไปแล้วก็ได้ความรู้ไปในตัวว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติอย่างไรให้เจริญกายกตาสติอย่างไรให้เจริญเวทนานุกยาสติอย่างไรอ่าจิตานุสติอย่างไรธัมมานุสติอย่างไรก็สามารถที่จะเห็นทางของการบําเพ็ญเพราะมันเป็นขั้นบันไดของการปฏิบัติ ขั้นตอนก็เลยรู้ว่าต้องทําใจให้สงบก่อนท่านสอนให้นั่งใต้โคนไม้นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องลมลมหายใจแล้วลมสติก็จะเข้าทาน สติก็จะพาจิตเข้าสู่ความสงบได้พอจากความสงบก็ให้รักษาสติต่อด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวไม่ว่ากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับให้จดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกรรทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ <c oughs> พอมีสติแก่ข้ามีกาลังเข้าออกสมาธิได้อย่าง อย่างง่ายดายแล้วขั้นต่อไปก็ให้พิจารณาความจริงของร่างกายศึกษาร่างกายว่ามีอะไรบ้างในร่างกายนี้ก็ให้ดูว่าการสามสิบสองของร่างกายแยกแยะร่างกายออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วนผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งเอามากองกองไว้เลยก็ได้ <c oughs> เหมือนกับเวลาที่เขาขายหมูขายเ อ, อขายไก่บน บนเขียงนี้เขาก็ยากส่วนส่วนต่นางๆของศาสตร์ออกมาเราก็ยากส่วนต่นางๆของร่างกายออกมาเพื่อจะได้ทดําลายความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนตามจริงมันไม่มีตัวตนในร่างกายนี้มันมีอาการสามสิบสองเท่านั้นเองแล้วก็พิจารณาดูว่ามันมาทํามาจากอะไรอะไรทําให้มันเกิดอาการสามสิบสองนี่ขึ้นมามันก็จะกลับไปที่อาหาร อาหารถ้าไม่กินอาหารร่างกายนี้มันจะโตขึ้นมาได้หรือเปล่ามันก็มาจากอาหารอาหารมันมันมาจากอะไรมันก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเวลาร่างกายตายไปมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นน้ำกลายเป็นดินกลายเป็นลมไปลมก็หายไปไฟก็หายไปน้ำก็ไหลออกมาร่างกายก็แห้งกรอบแล้วก็เปื่อยผุพังไป กายเป็นดินไปเนี่ยพิจารณาศึกษาความจริงของร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่เป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีนายกรนายขอไม่มีหญิงไม่มีชายคําว่านายกรนายขอหญิงหรือชายนี้เป็นสมมติที่เราตั้งเชื่อให้กับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองคองนี้เราก็แปะป้ายว่านี่คือนายกรคนนี้ก็แปะป้ายว่าชื่อนายขอ เปลี่ยนได้เนี่ยวันนัังถ้าไม่ชอบนายก็เปลี่ยนสลับกันได้ไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลี่ยนอีกชื่อได้ชื่อมันไม่สำคัญมันเป็นสมมุติเราไม่มองที่สมมุติเราไม่มองที่ความจริงกันเราไป ม, มองที่สมมติกันแล้วก็ไปติดที่สมมุติว่าร่างกายนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาการที่จะมองว่าเป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้าลมไฟกับไม่มองกัน พอมองว่าเป็นพ่อเป็นแม่พอมันตายไปก็เลยทุกข์กันใหญ่ถ้ามองว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองมันก็จะไปทุกข์กับดินน้ำลมไฟทาไมเห็นไหมอันนี้แหละคือสติปัฏฐานสี่ขั้นต้นต้นตองผ่านร่างกายไปให้ได้ผ่านร่างกายแล้วก็เข้าสู่ขั้นเวทนาต้องสู้ต่อสู้กับความเจ็บให้ได้ต้องปล่อยวางความเจ็บให้ได้ร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เราไม่เจ็บตอนเปนคนรับรู้ความเจ็บถ้าเราอยากให้มันหายมันเราจะสร้างความเจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความเจ็บในใจเราถ้าเราดูเฉยๆไม่ปรายากให้มันหายเราจะไม่เจ็บ <c oughs> อันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งผ่านเวทนาได้ก็ต้องผ่านอสุภะอีกขั้นหนึ่งต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามสปกปรกถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่งามสปกปรกก็จะไม่เกิดกามอารมณ์ ก็จะดับการมาหลงได้ผ่านร่างกายไปได้ก็เข้าไปสู่ตัวจิตตัวจิตก็ยังมีกิเลสอยู่มีมีมานะมีถือตัวถือตนอยู่มีอวิชชามีความหลงยึดติด ก, กับความสุขที่มีอยู่ภายในจิตไม่รู้ว่าความสุขนั้นก็เป็นความสุขที่ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ก็จะไปเป็นขั้นเป็นตอนไปจนในที่สุดมันก็จะผ่านไปได้หมด ในเป็นขั้นตอนของมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆในในสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นขั้นเจริญมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งอยู่ในสติปัฏฐานสีนี่เองดั <c oughs> นั้นทำไมคนไทยเราไม่ศึกษากันประสูตรสำคัญสำคัญเหล่านี้เราจึง ให้คนอื่นเขามาแย่งสมบัติอันดีไปเนี่ยชาวต่างประเทศนี่ก็มาแย่งมากคนที่ผ่านกันไปเราเอาแต่เปลือกกินทุเรียนก็ชอบกินเปลือกทุเรียนไม่ชอบกินเนื้อทุเรียน <c oughs> แกเปลือกออกมาแล้วเอายกเนื้อให้คนอื่นเข้าไปขอกินเปลือกอร่อยมันเจ็บดีมัน <c oughs> มันแหลมมันฟัด <c oughs> มันทิ่มแทงลิ้นปากเราดี <c oughs> ชอบเอาแต่ทานอย่างเดียวชอบทําบุญทําทานกันเหลือเกินสังฆทานบุญบังสังส่วนเนี่ยโหชอบกันพระก็เลยชอบกันบวชกันก็มาบวชเพื่อมาทําบุญทําบุญบังสังสวนกันอลองไปสอบถามพระที่บวชบวชกันเนี่ยถามว่ารู้จั ก, จกสติปัฏฐานสี่หรือเปล่ารู้จักธรรมจักรกับประวัตินสูตรหรือเปล่ารู้จักเวทญาฐาสัพพี <c oughs> อาจารย์ครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับพระอาจารย์ที่ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการอาเกี่ยวกับผู้นำศาสนาครับว่าใครจะมาเป็นนะครับควรจะให้ชาวพุทธวางใจยังไงดีครับคือผู้นำศาสนาที่แท้จริงไม่มีการแต่งตั้งไม่มีใครแต่งตั้งพระพุทธเจ้าไม่มีใครแต่งตั้งพระอรหันต์ที่แต่งตั้งนี้ไม่ใช่เป็นผู้นำของศาสนาเป็นผู้นำของรัทธิลัทิ แต่ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงแต่งตั้งใครเวลาที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปมีคนถามว่าท่านจะตั้งใครมาเป็นาศาสดาพระพุทธเจ้าก็ตั้งธรรมวีนัยนี่ไงเป็นศาสดาของพวกเธอผู้นําของพวกเราก็คือพระธรรมวีนยัยพระธรรมคําสอนพระไตรปิฎกอันมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันนี้แหละคือผู้นําของเราไม่ใช่พระองค์นั้นพระองค์นี้ แต่ถ้าท่านเป็นพาะอหันต์ท่านก็จะมาช่วยขยายความช่วยทำให้ปฏิพรยปฏิภายปิดูกที่รู้สึกว่ายากเย็นนี้มันง่ายแสนง่ายเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องตั้งกันาศาสนาพุดนี้ไม่มีการแต่งตั้งผู้สืบทอดนี่เป็นเรื่องของทางโลกเขาเขาคิดแบบโรกโลกทางโลกต้องมีผู้นำเขาก็ต้องคิดว่าทางาศาสนาก็ต้องมีผู้นา แต่ทั้งผู้นำของทางศาสนานี้ไม่ได้เกิดจากการแต่งตั้งแต่เกิดจากคุณธรรมของแต่ละท่านนั่นเองผู้ใดมีคุณธรรมผู้นั้นก็จะเป็นผู้นำไปโดยอัตโนมัติเพราะจะมีผู้ที่จะไปแสวงหาผู้ที่จะไปติดตามเดินตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแต่งตั้งนี้เป็นเรื่องของลัทธิลัทธิหนึ่งที่คล้ายๆกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา พรอพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีการแต่งตั้งจะไม่มีสังฆราชฉนั้นอย่าไปกังวลเรามีผู้นําตลอดเวลาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่แหละคืออย่างที่พูดเนี่ยพระสูตรสําคัญสําคัญไม่กี่พระสูตรนี่ก็พอแล้วพอที่จะนําพาให้เราชาวพุทธเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่าง สบายส่วนใครจะมาเป็นผู้นำเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ยังอยู่ในกรอบของออของสมมติอยู่เขาให้เป็นผู้นำเราก็ต้องรับทราบไปแต่จะจะเดินตามหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาพาไปทางไหนพาไปนรกก็ไม่ไปอยู่ดีใช่ไหม พระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อใครไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพาเราไปนั้นมันมันถูกหรือไม่ผิดมันผิดนะท่านก็พาเราไปตกนรกก็ไม่ต้องไปอันนี้แหละพระเจ้าท่านฉลาดท่านมีธรรมะคอยที่จะมาปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ถูกอสิ่งต่างๆหลอกเราไปได้ ฉันไม่ต้องกังวลนะเรื่องใครจะมาเป็นไม่เป็นนี่มันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วมาเป็นก็ไม่ได้แต่มาทำอะไรก็มานั่งสวดที่หัวแถวเท่านั้นเองก็ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> แล้วมีมีพอมาเป็นแล้วมาออกเดินทัพออกเดินทุดงกันไหมมีไหม พะาะอญาติโยมไปทุดงตามป่าตามเขากันมนะัง้งตอนที่น่าจะทำนะมีบารมีขนาดนี้จัดไปเลยไปวิเวกกันสามเดือนไปอย่างหลวงพ่อวิริยังนี่ท่านก็จัดเนี่หลวงพ่อวิริยังนี่ท่านมีหลักสูตรสอนภาวนาแล้วปลายปลายหลักสูตรนี่จะให้เดินขึ้นดอยอินทนนท์ีัไปทุดงกันเจ็ดวันหรือสิบห้าวันก็ไม่สรับ นี่แหละคือการนำไปสู่มรรคผลนิพพานต้องนำด้วยการปฏิบัติไม่ใช่นำด้วยการสวดไปนั่งสวดในวัดพระแก้วแล้วนั่งฟังกันเราก็คิดว่าได้บุญมากมายก่ก่อ เราคิดว่าสมควรแก้เวลาญ า, าติโยมเดี๋ยวถ้าไม่บอกให้ไปจะเจรินใจอคร <c oughs> อาิ้เขายห้เข้ามาทีหลังไ ใ, ให้พวกนี้ไปก่อนให้เขาเข้ามาได้แต่ให้พวกเราไปได้เพราะพวกเราหมดเวลาละให้คนอื่นเขาก็ามาบ้างเราไปนั่งฟังข้างล่างก็ได้มี ม, มีลำโพงอยู่ข้างล่างครับ